เพิ่งพากันตั้งใจสํารวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าให้ใจฟุ้งซ่านไปทางอื่นเวลานี้เรามาประชุมพร้อมเพียงกันเพื่อจะมาฝึกจิตใจนี่แหละให้สงบพูดกันอย่างง่ายง่ายพราใจมันไม่สงบมาตั้งนมนานหลายชาติหลายภพแล้วเพราะใจมไม่สงบนี่แหละ มันถึงได้ดิ้นรนไปทำดีบ้างทำชั่วบ้างเจอดีก็ทำดีไปเจอชั่วก็ทำชั่วไปคนใจไม่สงบแล้วมันจะตั้งมั่นอยู่ในความดีอย่างเดียวไม่ได้เลยอั น, นี้พอใจแปรไปทางชั่วมันก็ใช้กายใช้วาจาทำชั่วพูดชั่วไปเพราะกายวาจาก็มีใจเป็นผู้บัญชาการ ดังนั้นนะเราจึงต้องมาฝึกจิตใจนี่ให้มันสงบให้มันตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีอันใจจะสงบหรือตั้งมั่นได้มันก็ต้องมีบุญมีคุณอยู่ในใจถ้ามีอย่างอื่นอยู่ในใจสงบไม่ได้เนื้อจิตนี้นะให้พากันเข้าใจพระพุทธเจ้ายังได้ทรงสนอนว่าดูก่อไม่สูงหลายท่านทั้งหลายจงอา่า จเจริญกุศลธรรมเพื่อละอกุศลธรร ม, มการจเจริญกุศลธรรมนั้นเป็นสิ่งที่สามารถทําให้เกิดให้มีขึ้นได้แล้วการละอกุศลธรรมก็ดีก็เป็นสิ่งไม่เหลือวิสัยบุคคลสามารถละได้ถ้าหาว่าบุคคลกระทาความดีไม่ได้ละความชั่วไม่ได้แล้วไซพระองค์ก็ ไม่แนะนำสั่งสอนสาวกทั้งหลายนี่เป็นพระวาจาที่พระองค์เจ้าทรงตรัสเมื่อมาแปลเป็นภาษาไทยต่อได้ความอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะปัญหามันจึงมีอยู่ว่าการที่บุคคลจะละความชั่วได้นั้นมันก็ต้อง เห็นโทษเห็งความชั่วนั่นก่อนต้องรู้จักตัวความชั่วก่อนเมื่อรู้จักเมื่อรู้จักตัวมันแล้วก็พิจารณาเห็นโทษของมันเมื่อเห็นโทษของมันเต็มที่แล้วนั่นแหะมันถึงละมันได้นี่นะมันเป็นอย่างนั้นไอ้พูดถึงความชั่วนะตั้งแต่อยางหยาบจนถึงอย่างละเอียดนั่นแหละ ดังนั้นการที่บุคคลจะมารู้จักความชั่วอย่างจริงจังนี่มันก็รู้ได้ด้วยสมาธิปัญญานี้เองนะเมื่ออารมใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันจึงมองเห็นได้เลยนะความชั่วคืออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันมองเห็นได้มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็มองเห็นตลอดถึงโทษแห่งความชั่วเหล่านั้น เมื่อเห็นโทษของความชั่วเหล่านั้นจริงจังแล้วใครฤๅศไปยึดถือเอาความชั่วนั้นไว้มันก็ต้องคลายทิ้งไปให้หมดแหละเหมันยังอาหารนี่นะเมื่อรู้ว่ามันมีพิษต่อ ร, ร่างกายเราอย่างนี้แม่เคี้ยวอยู่ก็าคลายทิ้งถ้าได้รู้มันนะเวนเสียจะไม่รู้ว่ามันมีพิษก็ต้องกลืนลงไป เป็นอย่างนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยผู้สนทั้งหลายนี่มันก็มีพิษต่อจิตใจเมื่อเมื่อจิตของผู้ใด ย, ยึดถือเอามันไว้มันก็เผาจิตผู้นั้นให้เดือดร้อนพุ้นวายไม่เป็นอันสงบระ ง, งับก็อย่างนี้แหละเราต้องพากันพิจารณาทวนกระแส จ, จิตเข้ามาภายในนี่เสมอเสมอ อันนี้คำว่าภาวนานีนะก็หมายความว่าเราตามรักษาจิตดวงนี้เองเนี่ยเรียกว่าภาวนาพูดกันอย่างง่ายๆอันบุคคลผู้ไม่ได้บำเพ็ญฌานให้เกิดขึ้นนี่นะและ้วจะไปภาวนาทำใจสงบนิ่งอยู่ตลอดหลายชั่วโมงหลายวันอะไรอย่างที่ท่านเข้าฌานมามู่นั้นมันทำไม่ได้ ให้เข้าใจเมื่อตอนไม่มีวาสนาที่จะบําเพ็ญชานให้เกิดขึ้นได้อย่างนั้นเราก็ทําใจให้สงบลงพอสมมาสมควรรู้ว่าใจของตอนมันมั่นอยู่ในบุญในคุณแล้วเราก็อาศัยใจที่ตั้งมั่นในบุญในคุณนั่นแหละจะเริยนปัญญาต่อไปอืเป็นอย่างนั้นอย่างว่าเมื่อเราจะคิดเรื่องอะไรเนี่ยเราก็กําหนดจิตก่อนอย่างนี้นะ กำหนดใจให้ตั้งมั่นลงไปแล้ววันนี้ก็จึงค่อยพิจารณาเรื่องนั้นต่อไปนี่การที่กำหนดใจให้ตั้งมั่นนะก็แสดงว่าใจมีสมาธิแล้วเราก็จึงค่อยดำริตรีตองเหตุผลเรื่องนั้นนั้นต่อไปมันก็เห็นแจ้งได้เพราะใจมันไม่ว่าวุ่นไปในเรื่องอื่นใจมันตั้งอยู่อย่างนั้น แล้วก็จดจ้องที่จะรู้เรื่องนั้นโดยเฉพาะเลยอ่าอย่างนี้เมื่อใจมันดิ่งไปในเรื่องนั้นโดยเฉพาะมันก็ต้องเห็นแจ้งแน่นอนทีเดียวเหมือนอย่างเรามองวัตถุสิ่งของโดยสายตาอย่างนี้นะเมื่อเราจ้องไปสู่วัตถุสิ่งนั้นะ่ะโดยเฉพาะเลยไม่กรอกสายตาไปในที่อื่นอน่ะ มันก็ย่อมเห็นวัตถุ น, นั้นได้ชัดเจนเลยอ่ามันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันแหละเมื่อจะพิจารณาถึงเรื่องบาปกรรมอันชั่วร้ายอย่างนี้นะเราก็จ้องไปถึงเรื่องบาปนั่นเรื่องบาปมันก็ปรากฏขึ้นในใจให้เห็นแจ้งไปได้เลยถ้าเราจะพิจารณาเรื่องบุญอย่างนี้ต้องการอยากรู้เรื่องบุญเนี่ยบุญเป็นยังไงอ่ะ เราอธิษฐานในใจลงไปนี้แล้วก็จ้องใจตั้งมั่นลงไปอย่างนี้เพ่งใจตัวเองนั่นแหละให้ตั้งดิ่งลงนะสักหน่อยมันก็ปรากฏขึ้นมาเลยนะมันก็รู้ออมันก็รู้เรื่องบุญขึ้นมาได้อย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นเพิ่งพากันเข้าใจหลักวิชาเหล่านี้ไว้ถ้าใจไม่สงบแล้วอย่าเพิ่งไปพิจารณาอะไรก่อนอันนี้ต้องทำใจให้สงบซะก่อนให้ตั้งมั่นลงไปก่อนนั่นะอย่างที่ทุกคนก็เคยจะได้ทำมานะเมื่อมีเรื่องอะไรมาถึงเข้าเเรื่องสำคัญสำ่ัญนะ แล้ว ก, กําหนดจิตลงไปชั่วขณะหนึ่งแล้วก็พิจารณาเรื่องนั้นเลยมันก็รู้ก็เข้าใจเรื่องนั้นได้โดยแจม่มแจ้งถ้ามันเหนือวิสัยไม่สามารถจะรู้ได้อย่างนี้เราก็มาปรึกษาหารือกันต่างก็ช่วยกันคิดช่วยกันวินิจฉัยพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งบางที ผู้น้อยอาจรู้ปัญหาเรื่องนั้นได้ก่อนผู้ใหญ่ก็ได้มันไม่แน่เนี่ยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้มันประชุมกันเมืองนี้แต่เพราะว่าลําพังแต่ตัวคนเดียวนั้นนะไม่สามารถที่จะมีปัญญารู้รอบครอบทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นภาษาวคธรรมดา อย่างนี้เราจะให้มันรู้รอบอะไรต่ออะไรทุกสิ่งด้วยตนเองทั้งหมดมันไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้ดีเรื่องอย่างนี้นะ่ะเหตุฉะนั้นท่า อ, องค์เจ้าจึงได้ทรงแนะนําสั่งสอนให้สงฆ์ทั้งหลายสมัครสมานสามัคคีกันมันประชุมกันเนืองเนืองอเมื่อมีเรื่องอะไรก็พูดกันในที่ประชุมนั้นปรึกษาหารือกันออกความคิดความเห็นกัน มันก็เห็นรู้ทางไปได้กว่านี้นะอะผู้ที่ยังไม่เคยรู้มอะไรเรื่องอย่างนั้นนะแต่เมื่อมีผู้อื่นแสดงออกมาอันี่ยมันก็รู้ได้นี่ก็เรียกว่ารู้ตามกันไปกระถ่ายทอดความรู้ให้ซึ่งกันและกันไปนี่เป็นอย่างนั้นพระพุเทธเจ้ายังเทศนตรัสไว้ว่าสุขขาสังขตสสามคัคคีสามั ขานางตะโปสุโ ข, ขความสามัคคีพร้อมเพียงกันของคนหมู่มากในการภาคเพียรพยายามละชั่วทำดีเช่นนี้จะนำมาซึ่งความสุขดังนี้คำว่าตะปะทมนั่นก็หมายถึงความเพียรนั่นเองแหละแต่ว่าเราไม่ได้เพียรคนเดียวเราชักชวนกันทำความเพียร อย่างเช่นเรามาบวชเตียนอยู่ในพุทธศาสนานี่นะหลายผู้หลายคนทั้งที่เป็นพระภิกษุสามาเณรทั้งเป็นแม่ทีแม่ดำอะไรก็ตามเลยมูเนียกะระวนเรียกว่าเรามาร่วมสามัคคีทากัน มาร่วมกันปฏิบัติธรรมวันนี้นะเมื่อศึกษาหรือสดับตรับฟังรู้ข้อปฏิบัติได้แล้วจำแนวทางได้แล้วต่างคนต่างก็ลงมือปฏิบัติไปเพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรักษาศีลอย่างนี้ก็พร้อมกันรักษาจริงๆไม่ล่วงใครมีหน้าที่รักษาศีนประเภทได้ ก็พยายามรักษาสินประเภทนั้นให้บริสุทธิ์ให้ได้ไม่ล่วงนี่นี่ท่านเรียกว่าสีรสามา ญ, ญาตาเป็นผู้มีสินเสมอกันนี่พูดถึงความสามัคคีนะเมื่อรักษาสินก็พร้อมกันรักษาไ้วพระภาวนาก็พร้อมกันไหวพระภาวนาไม่เกียดคล้านบางคนก็อาจจะมี เมื่อเพื่อนพานั่งอยู่ในที่ศาลาการประเรียนันเป็นที่ชุมนุมอย่างนี้แล้วเมื่อไปสู่ที่อยู่งตวแล้วไม่แล้ไม่ทาแล้วมีแต่เล่นหรือมีแต่นอนอย่างเดียวอย่างนี้ก็อาจจะมีนึ่ง น, นันแหละ น, นั้นเป็นความประมาทการที่เรานั่งสามาธิอยู่ศาลาการประเรียนนี้ก็เพื่อฝึกผู้ที่ยังไม่ ช, มนชมนานิชานาญ ให้ได้ชำนิชำนาญไปตามกันนั่นแหละผู้ที่ชำนิชำนานมาแล้วก็ทําให้ผู้ที่ยังไม่ชำนานนั้นเห็นเป็นตัวอย่างนั่นแนหะอดทนอทํากายให้สงบทําใจให้นิ่งอย่างนี้นะเมื่อผู้มาใหม่เมื่ก็ค่อยฝึกไปตามๆกันไปมันก็ค่อยเป็นไปเมื่อ ความเฉลียวฉลาดมันก็ค่อยมีไปเป็นอย่างนี้การที่เราสามาัคคีกันน ะ, ะบางคนคิดว่ามไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปไประชุมกันทำความเพียรอย่างนั้นก็ต่างคนต่างรู้ข้อปฏิบัติแล้วทำเอาของใครของเรามันจะไม่ดีกว่าหรื อ, อบางคนก็อาจจะคิดเห็นไปอย่างนั้นอันนั้นก็ทู ตอเมื่อเลอกจากประชุมกันแล้วนี่เขาก็ต่างคนต่างทํานั่นแหละเมื่อเวลาเราประชุมกันนี่เราก็ทําพร้อมกันอหมายความว่าอย่างนั้นเราแสดงความพร้อมเพียงสามัคคีกันไม่อย่างนั้นแล้วมันก็จะไม่พรองรองกันได้เมื่อต่างคนต่างอยู่อย่างนี้นะต่างคนต่างทํำบางทีก็เลยเกิดความคิดเห็นทิศแผกแตกต่างกันไป เมื่อความเห็นมันไม่ตรงกันแล้วมันก็ทะเลาะกันหลาคนเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไม่ทะเลาะกันก็ทําความดีร่วมกันไปไม่ได้ออืก็แตกสามัคคีกันความแตกสามัคคีกันอย่างนี้ไม่เป็นมงคลเลยนี่พลอยพากันเข้าใจต้องพยายามประสานสามัคคีกันไว้ให้ได้ออื